เตรียมเข้าที่ฟังทรรม <c oughs> ฟังแลรร้วทมฟังแล้ว ร, รมไปพร้อมทำอะไรทำใจทำกายทำวาจาทำใจทำกายให้สงบทำวาจาให้สงบไม่ให้มีเสียง ให้มีเสียงทั้งวาจาปิดปาก <c oughs> แม่แต่ลิ่นในปากท่านเขาไม่ให้กระดุกกระดิกนะเวลาภาวนาครูบาอาจารย์ท่านสอนหลวงปู่ตันท่านล่ะลนก็ไม่ให้กระดุกกระดิบเนีว่าสงบกายสงบวาจาแล้วก็อธิษฐานจิต ต่อพระรัตนตรัยรัตนะรัตนะแปลว่าแก้วตรยแปลว่าสามแก้วทั้งสามหรือว่ารัตนะทั้งสามความหมายในรัตนสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรง มีพระดำรัสรับสั่งให้พระอานนท์เทระเจ้าอุ้มบาทน้ำใส่ในบาตรแล้วก็บอกคาถารัตนสูตรให้พระอานนท์เจริญหรือว่าสาธยายญาณีทภูตานีสมาคตานี ภูมานิวายานิวันตริเแห่ซัมเบวะภูตาสุมนาภวันตุเหมือนอย่างในบทรัตน่สูตรที่พวกเราเจริญหรือสวดสาธยายรวมแล้วก็มีว่าอิธรรมปีบุทเทรัตนังปณีตังอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปฎีตังอิธรมปีสังเทรัตนังปณีตังก็เรียกว่าเป็นคํากล่าวคํา น้อมนึกะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าสรณะหรือที่พึ่งที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทธโธธรรมโมสังโฆพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐคือทั้งสามอย่างนี่รวมรวมอยู่ในอันเดียวกันแต่แยกอาการก็เป็นสาม เ, เมื่อรวมแล้วก็เป็นอันเดียวกันอยู่ที่เจตนาที่รวมเข้าสู่ใจคือธรรมชาติรู้ๆที่มีอยู่ในตัวของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนนี่แหละใจนี่แหละท่ทานจึงว่ามโนปุพังคมะธรรมามโนเศรษามโนมยามโนแปลว่าใจมโนมณะ ทมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้านั่นจริงว่าใจของแต่ละท่านแต่ละคนนี่ีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติรู้เพราะฉะนั้นน้อมใจน้อมความรู้นี่แหละถึงพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เป็นผู้รู้ก่อน รู้อะไรรู้ธรรมะรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมะจึงว่ารูปพระธรรมและจึงได้สอนหมู่ผู้ฟังทั้งหลายได้รู้ตามจึงเรียกว่าหมู่พระสงฆ์สาวกคือผู้ประพฤติตามปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าถึงพุทธโธอันเดียวกันนี่จึงรวมว่า พุโทโธธรมโมสังโฆ ร, รวมเป็นหนึ่งขณะนี้รวมเข้ามาที่ใจของเราอธิษฐานจิตปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กาหนดเอาพุโทโธพุธโทโธคำเดียวี่เพราะว่าพระธรรมพระสงฆ์รวมอยู่ที่พุโทโธคำเดียวรำ คำวลีคำพุทโธพุทโธเนี่ยแหละให้เป็นหนึ่งพร้อมทั้งสติสติก็เป็นธรรมอันหนึ่งสติคือความระลึกรู้เรียกว่าเป็นธรรมเครื่องคุ้มคลองความระลึกรู้คุ้มคลองพุทโธคุ้มครองความรู้ของเราเพราะขณะนี้ความรู้ของเรายังไม่เป็นพุทโธคุ้มคลองเพื่อจะให้ ความรู้เพื่อจะให้ใจของเราเนี่ยเป็นพุโทโธรู้ตื่นเบิกบานเดี๋ยวนี้มันยังไม่รู้มันยังถูกสัญญาอารมณ์ยังถูกฆ่าศึกคือกิเลสและสัญญาอารมณ์เป็นเครื่องนําไปให้ความรู้นี่น้อมไปตามสัญญาอารมณ์ที่ท่านบอกไว้ว่า อวิชาอาวิชาปัจจญาสังขาราอาวิชาคือความเผลอความไม่มีสตินไ่ไม่มีสติรู้ตัวในปัจจุบันอารมณ์อื่นก็แทรกแซงเข้ามาหรือเกิดขึ้นกับผู้รูก้กับใจเองแล้วใจคือผู้รู้ก็น้อมไปตามนู่นไม่ได้อยู่กับพุทโธพุทโธปัจจุบัน ไม่ได้อยู่กับกายไม่อยู่กับไม่ได้อยู่กับใจลู้น้อมไปตามอารมณ์นึกคิดอยากโกรธเกลียดตย่างอื่นออกไป น, นั่ น, นเรียกว่าเป็นการส่งออกจึงไม่เป็นพุทโธเพราะทัานเอาสติเอาสติเป็นพี่เลี้ยงเอาสติเป็นผู้คอยดูแลควบคุมไว้ควบคุม ใจคือความรู้ผู้รู้หรือวิญญาณเนี่ยอภิชาอภิชาปัจจญาสังขาราสังขาราปัจญาวิญญาณังเมื่อไม่รู้มันก็ปรุงแต่งไปภายนอกไม่ได้ปรุงแต่งอยู่กับพุทโธ ร, รู้ภายในพุทโธ ร, รู้ใจใจกลมเกืนกันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธปัจจุบัน มันไม่อยู่ที่นี่เมื่อมันเผลอแล้วเมื่อมันเป็นอวิชาเกิดขึ้นใจเนี่ยมันไม่เป็นวิชาคือความรู้ปัจจุบันน่ะมันเอาอาะเข้ามาใส่มันไม่รู้ไม่รู้มันก็ไปตามสังขารเึงว่ า, าความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดความปรุงแต่งนอกออกไปเมื่อปรุงแต่งนอกออกไปความรับรู้ สังขาระปัญญาวิญญาณังความรับรู้รับรู้ตามความนึกคิดปรุงแต่งออกไปตามเรื่องภายนอกนูน้นห่างจากกายจากใจของเราออกไปข้ามน้ำข้ามทะเลไปไหนไปรอบโลกไปนูน่นเรียกว่าไม่อยู่กับมณนะโนไม่อยู่กับใจไม่อยู่กับมหาเหตุคือใจ เพราะฉะนั้นสติเป็นธรรมที่คุ้มครองความระลึกลู่ให้ระลึกรู้พุโทโธพุโทโธอยู่ปัจจุบันพุโทโธพุโทโธอันเดียวนี่แหละให้นแน่เข้าไว้ในปัจจุบันแล้วก็ฟังธรรมะหรือข้ออัดข้อธรรมที่จะได้พูดสาธยาย ไปแต่อย่าส่งใจเข้ามาที่คำพูดที่เสียงผู้พูดให้ใจรู้สติเป็นเพื่อนสองของใจและลึกรู้อยู่ภายในใจในกายของเรานะ่จะรู้กับลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้นั่นแหละเรียกว่าเป็นจุดเป็นศูนย์หรือว่าเป็นเป้าหมาย ว่าเขายิงเป้าเขาก็มีเครื่องหมายไว้ยิงลูกกระสุนยิงลูกธนูไปให้ถูกเป้าผู้มีความแม่นยำก็เล็งเข้าไปถูกเป้าก็ยิงไปก็ถูกเป้าเป้าหมายจุดหมายเนี่เอาลมหายใจเข้าหายใจออกที่ปลายจมูกหรือตรงกลางหน้าอกลู่พุทธลู่โทลู่พุทธลู่โท ถ้ามันเคลื่อนจอากนั่นก็เรียกว่าสติก็เคลื่อนสติก็เพอสมาธิก็ไม่ตั้งมันก็กําหนดใหม่กำหนดเข้าไปเอาจนมันแนวแน่แนวแน่แนแนเข้าจุดนั่นแหะเมื่อสติมันแนวอยู่จุดนั่นเสียงที่พูดไปกัสัมผัสกับจิตจัดกับใจกัเข้าสู่ใจเข้าสู่ใจลูกความหมายลูกความหมายใน ธรรมะกลมคืนกันความรู้และความเห็นกลมคืนกันรองสู่พุโทโธพุโทโธอยู่กับใจปัจจุบันอันเรียกว่าธรรมะกลมกืนกันกับใจความสงบของใจก็เกิดขึ้นจึงว่าสมาธิก็แน่วแน่ขึ้นภายในใจนี่แหละเพราะฉะนั้ว่าใจเป็นมาหาเหตุอันนี้ปฏิบัติธรรม ทั้งปฏิบัติทั้งทำทั้งฟังไปด้วยกันธรรมะปฏิบัติทรรมเป็นสิ่งที่คู่ควรกับจิตใจของเราแต่ธรรมะก็อยู่ที่กายของเราว่าจาของเราใจของเราเนี่ยเสียงของธรรมก็ เป็นเสียงวาจาเสียงของธรรมรูปของธรรมก็คือกายรูปกระธรรมนามของธรรมคือใจหรือสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่าเป็นธรรมหมดรวมแล้วก้อนธรรมก้อนธรรมก้อนกายของเราเป็นก้อนธรรมดวงใจของเราเป็นดวงธรรม น, นี่อบรมหรือว่าขัดสีดวงธรรมขัดสีก้อนธรรมด้วยสติสมาธิและปัญญาให้กลมกืนกัน <c oughs> นี่ทรรมภายในทรรมภายในคือร่างกายของเราและจิตใจของเรา สติปัญญาที่มาดูกายดูใจนี่เป็นทรรมภายในทรรมภายนอกท่านจึงเรียกว่ารั่วสิ่งที่เป็นรั่วคือนอกออกไปจากกายจากวาจาจากคิดใจของเราท่านเรียกว่าเป็นรั่วล้อมรอบทำมะไว้ไม่ให้ทำนี่แตกกระจาย ไม่ให้ทำแต่กระเด็นเซ้นสัน้นออกไปตามสัญญาอารมณ์ออกไปตามความหมายภายนอกจิงให้มีรั่วมีขอบเขตท่านเรียกว่าศีลศีลเป็นรั่วกั้นไม่ให้ความชั่วความเสียไม่ให้สัญญาอารมณ์ มาให้จิตใจของเรามาให้กายมาให้วาจาของเราสงสายทมไปตามสัญญาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันมาแฝงเกิดขึ้นอยู่กับใจสัญญาอารมณ์แห่งความรักความชังความชอบใจความไม่ชอบใจนั่นเรียกว่าเป็นเป็นสัตว์นอกข้อหรือเป็น วัวเป็นควายนอก้อของเราว่าควายใน้อหรือสัตว์ใน้อกก็คือสัญญารมที่เกิดขึ้นหรือสติปัญญาที่เกิดขึ้นด้วยความมีสติเป็นรั่วกั้นเป็นเครื่องสังวรสารวม นี่จึงให้สร้างสร้างรั่วสร้างรั่วก็คือศีลคือสตินี่เรียกว่าสติสังวรเมื่อจะพูดอะไรก็ให้มีสติมีปัญญารู้ว่ามีเหตุผลอย่างไรเสียหายอย่างไรจะทำทางกายจะขยับขยื้อนทางกาย ไปทำอะไรมีสติสังวรมีปัญญาให้ควรรอบรู้การที่จะไปทำทางกายนั่นลงมือทำทางกายมันจะมีโทษเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนหรือเป็นเหตุให้เกิดความสงบสุขเยือกเย็นนี่เียว่าใช้สติและปัญญา สังวรรอบกายที่จะขยับขยื่อนและจิตใจจะนึกคิดก็เหมือนกันสติปัญญารอบใจสอนใจที่จะนึกคิดเรื่องอะไรที่ให้เป็นสัญญาเป็นอารมณ์นี่ถ้าพูดแยกตามสมมุติเรียกว่าให้มีสติมีปัญญา รูรอบสัญญาความจำรูรอบสังขารความนึกคิดปรุงแตง่งแต่พูดรวมเลยว่ารูรอบใจแต่ธรรมชาติใจนั่นไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเพราะธรรมชาติใจเป็นธรรมชาติรู้เป็นธาตุรู้รู้ไม่นึกไม่คิดรู้ไม่โลกรู้ไม่โกรธ รูดไม่หลงยึดมั่นถือมั่นอันนั้นอันนี้ทั้งหมดนี่แหละยี่ว่าธรรมชาติรูเป็นใหญ่ในการรูดเฉยๆที่สิ่งที่จะทำให้เกิดพิษเกิดภัยก็เรียกว่าสัญญาอารมณ์สังขารวิญญาณเวทนานามรูปเรานี่แหละจะเป็นเหตุ เป็นผลที่จะให้เกิดอารมณ์อารมณ์มแห่งความอยากอารมณ์แห่งความอยากอารมณ์แห่งความนึกคิดตามความอยากเมื่อ น, นึกคิดตามความอยากนึกคิดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอยากน้นอยากนี่ทำอย่างน้น อ, อย่างนี่นึกคิดไปเท่าไหร่ก็วุ่นไวายไปเท่านั้นให้มีที่จบที่สิน<ะ>้นแล้วก็ไม่เป็นไปตามความนึกคิด ไห้เป็นไปตามความอยากส่วนสิ่งที่เป็นไปตามสภาวะธรรมทั้งหลายก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนี่แท้จึงว่าลักษณะทั้งสามอย่างเนี่นี่ก็เป็นธรรมะแหะเป็นอาการเป็นชื่อเป็นชื่อของธรรมเป็นชื่อเป็นเสียงชื่อเสียงเรียงนาม ของธรรมะที่ว่าอันนี้จังความไม่เที่ยงทุกข์ความทนอยู่ได้ยากอนัตตาความไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่มันเป็นชื่อเสียงเรียงนามมันก็เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเท่านั้นสมมติทั้งหลายทั้งปวงนี่จึงต้องมาเข้าใจ ปฏิบัติรร ม, มาเข้าใจเข้าใจในตัวธรรมแท้เข้าใจในอาการหรือชื่อชื่อของธรรมสมมุติของธรรมเหมือนกันกับตัวของเรานี่แหละตัวคนเรามีชื่อสมมุติชื่อเพื่อให้เรียบ ชื่อสีซื่อมีซื่อบุญชื่อบาปแต่ตัวบาปแท่บุญแท่มันจะอยู่กับกายวาจาใจใจกิริยาที่ให้เป็นบาปเนีย่ยไปออกจากใจกิริยาให้เกิดทุกข์ออกจากใจเพราะฉะนั้นจะศึกษาให้เข้าถึงตัวจริง ให้เข้าถึงตัวจริงของธรรมให้รู้ความจริงของคำว่าความสุขความทุกข์รู้ความจริงของคำว่าบาปบุญคุณโทษนี่จะต้องมาศึกษาเข้ามาที่กายที่วิจารที่จิตใจของเราเพรานั้นขณะนี้ ศึกษาธรรมะด้วยการปฏิบัติรู้แล้วว่าใจเป็นมหาเหตุใจเป็นฐานใจเป็นฐานที่เกิดขึ้นของบุญและบาปของธรรมธรรมที่เป็นฮีนธรรมมัชิมะธรรมปานิตะธรรมนี่ฉนั้นอย่างใน อภิธรรมมาติกาท่านสวดว่าเฮนาธรรมมามัชฌิมาธ ร, รมมาปานิตะธรร ม, มาเฮนธรรมธรรมมันเร็วธรรมของกิเลสคือความอยากความอยากที่เกิดขึ้นตามความโกรธความอยากที่เกิดขึ้นตามความโรค ความอยากที่เกิดขึ้นตามความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงอยากทุบอยากตีอยากฆ่าอยากทําลายเพราะความไม่พอใจอยากได้อยากมีตามความรักความชอบใจอยากทิ้งไปอยากทิ้งไปอยากไม่ให้เกิดไม่ให้มี ก็ตามความไม่พอใจตกลงว่าความอยากทั้งสามนออยากได้อยากมีอยากไม่ให้มีอยากมีทรัพย์สมบัติอยากมีวัตถุสิ่งของตามสมมุติอยากมีรูปอยากมีนามอยากมี ชื่อมีเสียงราบยศฉันระเสริญสุขทั้งหลายรวมแล้วความอยากอยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็อยู่อยากอยู่ในสามเรียกว่าอยากอยู่ในสามอาการเป็นกิริยาความอยากนี่มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นเงามันเป็นสัญญาอารมณ์แต่ถ้าเราหลงไปตามมันเอ ก็เป็นเหตุให้เกิดบาปให้เกิดบาปเกิดทุกข์ให้เกิดวิบากเพราะเมื่อมีความอยากแล้วก็ลงมือทำตามความอยากนั่นทำทางกายก่าวทางวาจานึกคิดทางจิตใจก็ไปเกิดเป็นกรรมคือการกระทากายกรรมวาจีกรรมมโนกรรม นี่ว่าการกระทําหรือว่ากรรมกรรมเกิดจากกิเลสกิเลสวัสด์คือความอยากความอยากเรียกว่ากิเลสวัสด์ความอยากคือตัณหาอยากในสิ่งที่มันจะให้เกิดโทษก็เป็น กรรมกิเลสหรือว่าเป็นกิเลสบาปอยากในสิ่งที่จะให้เกิดความบริสุทธิ์เกิดความสุขเกื้อกูลก็เป็นความอยากในบุญในกุศลในความดีเพราะฉะนั้นคำว่ากิเลสกิเลสเนี่ยมันก็จึงเป็น เป็นตัวกลางกิเลสหรือว่าทำหรือว่ากรรมถ้าพูดเป็นกลางๆมันยังไม่ดีหรือหรือยังไม่ชั่วกรรมคือการกระทำถ้าทำไปในทางที่ให้เกิดทุกเกิดโทษให้เกิดความเศร้าหมองขุนมัว ก็นั่นเรียกว่าเป็นกรรมที่เป็นบาปเป็นทุจริตเป็นกรรมทุจริตเป็นกรรมไม่ดีถ้าทำทางกายพูดทางวาจานึกคิดทางจิตใจในสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อความ รู้ความละความปล่อยความวางความช่วยเหลือให้ผ่อนคลายจากความทุกข์และให้เกิดได้รับความสุขเหมือนอย่างพระบรมศาสดาสมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้พระองค์พ้นจากกรรมทั้งหลายทั้งปวงแล้วพระองค์ก็ยังทมตามสมมุติอยู่ คือทากรรมทางวาจาเที่ยวเสด็จดำเนินด้วยพระบาทไปในคามนิคมน้อยใหญ่สั่งสอนธรรมะคือข้อปฏิบัติีว่าสั่งสอนศีลธรรมข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความดีความสุขความสบายความสามคัคคีสมัรสมานซึ่งกันและกันและอยู่เย็นเป็นสุข ในหมูชนหมูมนุษย์ที่เป็นสมมติเป็นมนุษยชาติเนี่ยที่พเจ้าก็ใช้กรรมทางวาจาทรงเปล่งพระสุลเสียงแสดงพระธรรมเทศนาอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นกรรมดีวจีกรรมที่ดีในพระหารุไทยนั้นมีแต่ความ ปราถนามีแต่ความเมตตาเพื่อให้สัมภาสัตว์ทั้งหลายได้มีความเห็นถูกเห็นชอบแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามเส้นทางที่จะให้เกิดความสงบราบรื่นดีงามความสุจริตปฏิบัติให้เป็นความสุจริต ทางกายทางวาจาและนึกคิดทางจิตใจอันนี้เป็นความสมบูรณ์ใ น, น, น, น, มมรในพระหารไทยหรือในพุโทโธของพระพุทธเจ้าไม่มีความบกพ้องอันนี้สมบูรณ์พระเมตตาคุณสมบูรณ์แล้วก็พระองค์ก็ยังใช้อยู่มโนกรรมที่จะนึกคิดโอ้จะต้องไปโปรดคนนั่นคนนี่ไปช่วย คนนั่นมีทุกอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องช่วยให้พ้นจากความทุกข์ความทรมานที่จะกล่าวด้วยวาจาของพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็ไปประทานโอวาทสั่งสอนที่จะทําด้วยกายนิมิตรหมายพระ อ, องค์ก็เสด็จไปเหมือนอย่างไปโปรดมาทักุนทลีอืม กำลังป่วยหนักจะสิ้นชีวิตทำอะไรไม่ได้พระองค์ก็เสด็จไปด้วยพระกายพระรูปพระโฉมของพระองค์แล้วก็ทรงเปล่งพระรัศมีให้เป็นแสงกระทบเข้าไปให้มทักุณทลีที่ขณะที่นอนหันหน้าเข้าฝาบ้านหันหลังให้ผนทาง พระพเจ้าสเดสเด็จเดินตามหนทางนั่นแหละมัทธกกุนทลีเห็นแสงพิเศษก็พลิกตัวออกมาจึงมองเห็นพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้ามีพระรสมีเปล่งปังเกิดความเรียมใสน่นั่นแหละความความเป็นใหญ่ของใจเมื่อใจเห็นพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้า มันรู้สึกทราบซึ้งเข้าถึงกิตถึงใจปิติความเอิบอิ่มความนิ่มนวลความอ่อนความยินดีพอใจของมัทกุลทลีในพระพุทธเจ้านะ่ันจึงทำจิตใจของมัทกุลทลีนั่นให้มีความพ่องใสเอิบอิ่มเบิกบานสิ้นใจตายเขาไปเกิดในสวรรค์เทวโลกได้ นี่พระพุทธองค์ทรงใช้กรรมแต่ว่าเป็นกรรมดีเพรา ะ, ะนั้นคำว่ากรรมเป็นกลางๆลางถ้าน้อมไปสู่การกระทาในสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นกรรมที่เป็นอกุศลเป็นบาปเป็นอกุศลละกรรมไปน้อมไปในทางดีก็เป็นกุศละกรรม คือเป็นความดีนี่เองว่าทีนี่กรรมการกระทำเนี่ยที่จะลงมือกระทําจะนึกคิดจะพูดทางว่าจะจะพูดทางาจะกระทําทางกายก็ทําไปจากมโนกรรมคือใจคือความนึกความคิดนั่นเรียกว่าจิต ความนึกความคิดกิตตัง น, นึกคิดส่วนใจน่รู้ไม่ได้นึกคิดอะไรละจึงว่าใจไม่มีบาปใจไม่มีบาปใจไม่มีบุญใจเป็นธรรมชาติแห่งความเป็นใจร่วนๆแต่สิ่งอื่นมาอาศัยที่ใจมาอาศัยที่ธรรมชาติรู้จึงเป็นสมมุติว่ากิเลส กิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อเกิดความอยากหรือเกิดความโกรธกิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจล่ะมีความเดือดดานรับแค้นใจเดี๋ย ว, ว่าเดือดดานไม่พอใจสุดเวียงเลยนั่นแหะจะฆ่าก็ฆ่าได้เมื่อความโกรธเกิดขึ้น จะฆ่าจะทำลายชีวิตผู้อื่นด้วยกายก็ฆ่าได้หรือจะฆ่าด้วยวาจายาบคายแข็งกระด้างก็ออกไปทางวาจาหรือจะนึกคิดผูกพยาบาทภายในจิตซึ่งว่านึกคิดคือจิตนี่มันก็ไม่ใช่ใจวาจาก็ไม่ใช่ใจกายก็ไม่ใช่ใจ ถ้าจะพูดให้เข้าใจชัดเจนก็มันเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเพียงเครื่องมือของกิเลสที่มันเกิดจากใจที่อาศัยใจเป็นที่เกิดนี่แปว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมนั่นลหละเมื่อไม่มีทำคือสติปัญญา อันชอบไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาที่ได้ฝึกฝนฝนอบรมที่ได้ที่ได้ฟอร์มกำลังไว้ให้เต็มที่เหมือนกันกันกบแชมเปี้ยนเขานักชกนักต่อยเขาจะชกเอาแชมเปี้ยนเขาฝึกซ้อมไว้ มีกําลังเต็มที่นี่ก็เหมือนกันเมื่อเราจิตนี่หละมันไม่ได้ฝึกสมมุติทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าจิตแท้มันไม่ใช่สมมุติมันเป็นตัวรองรับเหมือนอย่างพื้นดิน พื้นโลกนี่พื้นโลกมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธาตุที่รองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็เป็นเงาหรือเป็นสมมุติซึ่งเกิดขึ้นจากโลกอันนี้แหละเกิดขึ้นจากธาตุต้นไม้ต้นหญ้าใบไม้สัตว์บุคคลทั้งหลายมาเกิดมาอาศัยก็เบียบย่ำอยู่กับนี่แต่ว่ามันเป็นคนละอันกัน แต่เมื่อมันแตกสลายแหละมันก็ลงสู่าธาตุ <c oughs> ก็เป็นาธาตุอันเดียวนี่แหละแต่เรื่องของใจเนี่ยที่ว่าใจเป็นมหาเหตุมหาฐา น, นมันเกิดมาแต่เมื่อไรคำว่าใจใจไม่รู้ละไม่รู้ว่ามันเกิดมาแต่เมื่อไหรมันเกิดมานานจนไม่รู้ ไม่รู้ต้นไม่รู้ปลายไม่รู้ต้นไม่รู้ปลายของใจคือธรรมชาติรู้<ม>แต่เขาหากเกิดขึ้นข่านเกิดขึ้นแล้วก็ ม, มันก็เป็นธรรมชาติรู้เป็นทิติธรรมเป็นธรรมชาติรู้แต่ว่ามันเกิดขึ้นที่แรกน่ะมันยังมีสิ่งที่ไม่บริสุทธ มันเกิดขึ้นมาด้วยความไม่บริสุทธิ์มันเหมือนกันกันกบลมพายุเหมือนกับลมพายุลมหัวด้วนธรรมดารม <c oughs> ที่มันพัดสายไปมาสัมผัสร่างกายของเราอยู่ขณะนี้เนี่ยอันนี้เป็นลมเกิดจากพัดลมพัดลมมันหมุนคือวัสดุอันหนึ่ง มันหมุนด้วยความเร็วมันก็เกิดลมเนี่ยท่านเกิดลมแต่ลมอันนี้มันเกิดจากความหมุนของพัสดุอันหนึ่งถ้าพัสดูอันนั่นหยุดหมุนลมก็หายไปแต่เมื่อพัสดุนั่นหมุนอีกมันก็มีลมอีกแต่จะว่าลมหมดไปจากธรรมชาตินี่หรือ ก็ไม่ใช่แต่มันหมดเมื่อวัสดุนี่หยุดหมุนถ้ามันหมุนอีกมันก็เกิดขึ้นมาอีกนี่เรียกว่าความสมดุลระหว่างเหตุปัจจัยต่างๆที่ให้เกิดดินน้ำไฟลมหรือลู่ธาตุลูกแต่ว่าธาตุทั้ง้าต <c oughs> มีประจำอยู่ในโลกในสมมุตินี่แหละดินน้ำ ไฟลมมีอยู่ในโลกมนุษย์นี่ดินน้ำไฟลมในโลกสวรรค์ก็เป็นความละเอียดขึ้นไปดินน้ำไฟลมธาตุรูในสวรรค์ดินน้ำไฟลมธาตุรูปในมนุษย์ดินน้ำไฟลมธาตุรูป ในพ ม, ม่าโลกนันไม่มีดินน้ำไฟลมะมีแต่ธาตุรูพมนมีแต่ธรรมชาติรูถ้าน้อมมาสู่สมมุติจึงจะมีพมสีหน้าพมสีหน้าพมหน้าเดียวอายนัะมันเป็นเรื่องสมมุตินี่พูดถึงอาการที่ออกไปจาก ใจอากธรรมาชาติธาตุเดิมคือธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็ธาตุูกที่เรียกว่าใจเมื่อมันเกิดขึ้นจากอาการที่แยกเหมือนอย่างลมมันเกิดจากพัดลมที่หมุนอยู่นี่มันก็มีลัศมีของมันอยู่ภายในนี่ แต่ถ้าลมพายุมันเกิดขึ้นกลางทะเลนุ่นมันเกิดจากอะไรที่เกิดจากให้เป็นลมพายุก็เกิดจากธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟก็มาเป็นธาตุลมนั่นแหละความเย็นและความร้อนกดดันกันก็มีแรงก็เป็นลมเหมือนอย่างพัดลมเนี่ย พัดลมมันมีอลูมิเนียมหรือมีพลาสติกแล้วก็มีไฟเข้าไปหมุนให้พลาสติกให้อลูมิเนียมมันเคลื่อนไหวมันก็เกิดลมนี่คือธรรมชาติของสิ่งที่เกิดแล้วก็เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกนี่แหละ ส่วนจิตใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วแต่เกิดผสมกับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์แยกออกมาถึงว่าเป็นดวงใจเป็นจิตเป็นใจของแต่ละผู้แต่ละคนแต่ละสัตว์แต่ล ะ, ะตัวละตนสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่แต่ตัวใหญ่เท่าช้างเนี่ยก็เป็นธรรมชาติรูปเท่ากัน แต่ว่ามันก็จะมันก็จะขยายตามลักษณะอาการของธาตุของร่างกายนั่นแหละถ้าเท่าตัวลิ้นตัวยุงตัวมัดตัวเมนมันก็เท่านั่นละ่ะธรรมชาติลูน่ะธาตุููแต่ถ้ามันขยายออกมันก็ครอบโลกสาม แต่เมื่อมันรู้เป็นบริสุทธิ์แล้วก็เข้าเป็นธรรมธาตุธรรมชาติธรรมธาตุแห่งความบริสุทธิ์อันเดียวกันไม่มีสมมุติแต่สมมุติว่าน้อยก็น้อยสมมุติว่ามากก็มากอันนั้นเป็นสมมุติถึงอย่างไรก็ตามขณะนี้เรามีสมมุติกันอยู่เรามีกาย มีวาจาที่ใช้ได้นอกจากคนที่เป็นใบจึงใช่วาจาไม่ได้แต่มันก็ยังมีกายมีจิตใจมีสัญญาเวทนามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณครบเท่ากันถึงแม้จะคนเป็นใบคนปากคือพูด ทางวาจาไม่ได้ก็ตามอแต่ขันห้ามยังเท่ากันเพราะฉะนั้นว่าใจก็อาศัยในขันห้าขันห้าก็เกิดจากใจนี่เมื่อเกิดมาแล้วจริงว่ามีเป็นกิเลสเป็นธรรมรกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความ ร, าร้อนนั่นแหละจริว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรม เมื่อทำกรรมแล้วก็มีผลคือวิปากวัฏท่านยังว่ากิเลสสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏนี่วัตาสามนี่ยังซึมทราบอยู่กับในดวงจิตดวงใจนี่ก็เรียกว่าใจดวงนี้ยังหมุนอยู่ในวัตะสามนี่แหละไม่มีที่จบสิน้นที่นี่จึงต้องมาปฏิบัติตามเส้นทาง ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนประทานไว้ต้องต้องปฏิบัติมาปฏิบัติมาเจริญศีลสังวรมีสติยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดให้มีความระลึกรู้เท่ารู้ทันกายวาจาใจนึกคิดทางจิตใจ จะ ก, กระทาขยับขยี้ยนทางกายอย่าพูดทางวาจาที่พพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าภาวนาสติปัฏฐานสี่จึงทรงสแสดงในมหาสติปัฏฐานสูตรสร้างสติให้เป็นมหาสติสติธรรมดาเนี่ยละลึกลูก่ขาดวักขาดตอนสร้างสติให้เป็นมหาสติ ก็ต้องปฏิบัติไปจากสติน้อยๆนี่แหละเสื่กอกอดด้วยความเพียร น, นี่ที่ที่ว่าปฏิบัติธรรมเรามาปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมคือมาสร้างสติธรรมนี่ทำความระลึกรู้ระลึกรู้นึกคิด ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิด น, นี้ปฏิบัติธรรมตามจ ร, จริยวัตรหรือตามอาการแห่งความเป็นอยู่แต่ละวันๆะวันของกายใจของขันห้าที่ประกอบด้วยกายใจแต่ละขันละขันของใครของเรา แต่ละท่านละท่านก็เรียกว่าแบกของใครของมันอ่ะบแบกขันเนี่ยแบกธาตุแบกขันยื น, ดนเดินนั่งนอนทำการทำงานก็เรียกว่าขันทำงานเวลาพักผรก็เรียกว่าพักขันร่างกายของเรานอนหลับสบายก็เรียกว่าพักรูปประขัน ที่นี่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ข น, ขนวิญญาณขันเนี่ยจะต้องพักด้วยภาวนาเพราะว่าถ้าไม่ไม่ภาวนาถ้าไม่ฝึกสติจนให้เป็นสมาธิและไม่ใช่ปัญญาสอนใจให้รู้จัก ให้เข้าใจให้รู้จักระวางแหละสัญญาขันวิญญาณขันมันจะไม่หยุดพักเพราะฉะนั้นเรานอนว่านอนแ่บมันจึงนอนไม่หลับนั้นนอนคือพักรูปประขันนอนไม่ทำการทำงานอะไรล่ะแต่มันก็ยังนึกคิดคุ้งแต่งยิ่งมีเรื่องมีราว มีปัญหาอะไรหนักๆน่ะมันยิ่งคิดจนรู้ตามไม่ทันคิดไปคิดมาคิดมากๆก็กลายเป็นประสาทเป็นโรคประสาทเป็นกิตตวิป ร, รารเป็นความวิป ร, รารของความนึกคิดท่านเรียว่ากิตตวิปรัสโสสัญญาวิปรัสโสวิป ร, รารถไปหมด ทั้งความจดความจําทั้งความนึกความคิดเพราะฉะนั้นจะหยุดปัญหาเหล่านี้เพื่อให้ขันมันทำงานอยู่ในขอบเขตจึงต้องปฏิบัติจึงต้องเจริญสมาธิหรือเจริญฌานเจริญฌานเจริญสมาธิ ก็เป็นอาการอันเดียวกันนั่นแหละเป็นการฝึ ก, กจิตให้อยู่ในอารมณ์มันเดียวนั่นท่านจึงกำหนดรู้จึงต้องฝึกซ้อมสติความระลึกรู้ให้มันระลึกในอารมณ์อันเดียวให้ได้ว่านึกพุโทโธพุโทโธุทโพุโทพโธเนี่ย เอาจะนึกพุทโธพุทโธหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงให้อยู่กับพุทโธให้ได้หรือว่าไม่ต้องกําหนดเท่านั้นชั่วโมงท่านี่ชั่วโมงทําปัจจุบันให้รู้พุทโธพุทโธเมื่อมันรู้ขณะนี้ขณะต่อไปก็รู้ขณะต่อไปก็รู้ต่อไปก็รู้จึงรวมเรียกว่า สติและลึกลู้ความลู้ดูอารมณ์ปัจจุบันคือพุทธโธอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกตั้งแต่ยังเป็นกุมารท่านก็เพ่งดูหายใจเข้าหายใจออกเฉยเฉยดูการเข้าการออกของ ลมหายใจเท่านั้นมันไม่ได้สายแสไม่มีสัญญาอารมณ์เป็นเครื่องรอเครื่องชักจูงความรู้คือใจนี่ให้มันหันเหไปหลายอย่างมันก็เกิดพลังน่มันจึงเกิดพลังเรียกว่าเกิดเป็นพลังแห่งชาญแน่วแน่ นั่นว่าจิตของท่านสงบเข้าถึงองค์ฌานหรือว่าเข้าถึงสมาธิอย่างแน่นแฟ่นจึงมีพลังจนสามารถรว่าทำให้เงาของต้นไม้ว่านั่นไม่เอียงไปตามแสงพระอาทิตย์คือธรรมชาติเงาต้นไม้มันจะเอียงไปเมื่อพระอาทิตย์ โคจรบายลงไปแล้วแต่นี่อำนาจแห่งสมาธิอำนาจแห่งฌานที่สิทธะราศกุมารเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นพลังจนกว่าาจิตของท่านถอนออกจากฌานจากสมาธินั่นนั่นความเปลี่ยนแปลงของ ต้นไม้หรือความรับรู้รับทราบสิ่งต่างๆมันจึงสัมผัสสัมพันธ์เข้ามาสู่จิตใจเนี่ยนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกหัดปฏิบัติจึงต้องเจริญสติให้ต่อเนื่องกันนี่การปฏิบัติต่อจิตใจ น, นีอธิบายอาการไปมากมายนี่ ห, อห้อยเข้ามา ว่าให้สติความระลึกรู้นี่ครอบคู่กับใจขณะที่เราเข้าที่บริกรรมพุทโทธพุทโทธหรือไหว้พระสวดมนต์ก็ให้มีสติแน่นแฟนอยู่กับการกล่าวทางวาจานั่นทํางานทางวาจาขณะที่เข้าที่บริกรรมนึกพุทโทธพุทโทธในงานของใจ ให้ใจนึกพุโทโธให้สติกรมกืนกันไม่ให้ถอนเดี๋ยวถ้าเผลอเรียกว่าถอนเรียกว่าถอนอันนี้เอามาใกล้ๆถ้าอธิบายอาการไกลออกไปในตามกิริยาของสติปฐานสี่ฐานที่ตั้งของสติกายเวทนาจิต ธ, ธรรมนั่น อันนั้นมันเป็นความแน่วแน่เป็นความละเอียดหรือว่าเป็นอาการที่ให้กำหนดรู้เมื่อเราไม่ได้นั่งสมาธิขณะนี้นั่งสมาธิฟังธรรมะก็ะให้กำหนดให้แน่วแน่พุทโธพุทโธเพื่ออะไรเพื่อ สติต่อเนื่องเป็นกำลังแล้วก็จะเป็นสมาธิเป็นฌานใจแน่วแน่ไม่วันไว้ไม่ทรายแสไม่มีทุกมีร้อนไม่วุ่นวายอะไรล่ะใจมีฌานมีสติมั่นคงแล้วต่อไป <c oughs> รวมเข้าดูใจที่ทำความสงบเรียกว่าฟังธรรม ฟังธรรมเฉพาะที่นี่เฉพาะฟังใจฟังใจฟังสัญญาฟังสังขารฟังวิญญาณที่มันรวมอยู่ในกายรู้ด้วยใจนี่ <c oughs> ให้เข้ามาที่หายใจเข้าหายใจออกให้แน่วแน่ทำความสงบ เมื่อเรารวมความรู้เข้ามาแน่วแน่หายในความรู้อันเดียวของเราเดีย ว, ว่าพระพุทธเจ้าก็รวมมาอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจใเราฉะรักษาการประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึง พุ ธ, ธรรมสงฆ์เราจะได้สมบัติธรรมคือศีลสมาธิปัญญาอันชอบแล้วพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราได้พระธรรมเป็นที่พึ่งของเราได้พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราได้ด้วยการที่เรา พอพื้นปฏิบัติเราอัญเชิญพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจอัญเชิญพระธรรมเข้ามาสู่ใจอัญเชิญพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของเราคือพระสงฆ์เข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราใจของเรายินดีในการเราพื้นปฏิบัติตามธรรมมะคือ คุ ณ, ณธรรมที่ทำให้ความสกโปกหรือบาปกรรมทั้งหลายสิ้นสุดออกไปเช่นศีลธรรมเราปฏิบัติตามศีลห้าเรารักษาศีลห้าสมบูรณ์บริบูรณ์เราภาวนาจเจริญสติ จนให้สมาธิเกิดขึ้นแต่ก็น้อมพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างสรุปรวมลงสู่ความไม่เที่ยงทนอยู่ได้ยากและไม่ใช่ตัวใช่ตนนั้นมันเป็นผลเพื่อเมื่อเราเจริญเราพิจารณาตามหลักแห่งธรรมะแล้วความรู้แล้วความเห็นเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นความสว่างเป็นดวงปัญญา และเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานในจิตใจของเราได้เนี่จึงเรียกว่าพระพุทธประธรรมประสงค์รวมเข้าสู่จิตใจของเราเลยกลายเป็นว่าใจของเรามาเป็นพุทธโทรธธรรมโมสังโฆเสื้อเองตัดกรรมสรุปและวิบากขันทั้งหลายทั้งปวงสิ้นสุดลงเราได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานผู้ไม่มีกรรมไม่มีเวรอ่านจึงเรียกว่าตัดกรรมชรุปและวิบาตสิ้นสุดด้วยการประพฤติปฏิบัติยินได้อธิบายธรรมะหรือนำพาประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมปฏิบัติให้เข้าใจว่าไหวพระสวดมนต์ จเจริญเมตตาภาวนานี่เวลาเราการาบเราไหว้ก่อนหลับก่อนนอนก็ตามหรือเวลาว่างๆแล้วก็กราบไหว้แล้วลึกถึงให้มีสติเวลาเราสวดสาธยายการสวดการสาธยายก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าการเสนอเสริญ คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นแล้วกล่าวนะโมสามจบก็เป็นการนอบน้อมนอบน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือนอบน้อมถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยพระคุณทั้งสามประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณ สั้นเวลาเรากล่าวนโมตัง้งนโมสามจบนบโมตัสสะภควะโตระหโตสมมาสมพุทธสารก็ให้จิตใจของเราน้อมนึกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าประกอบด้วยพระบริสุทธิ์คือไม่มีกิเลสอาสะวะโรคโกรธหลงไม่มีในพระหริยไทยของพระพุทธเจ้ามีพระเมตตารบริรสุทธิ์ช่วยสั่งสอนสัตว์โลกให้ประพฤติธปฏิบัติธรรม เข้าใจในธรรมนี่มีพระปัญญาขี้คายพิจน า, นารณาลบร่างสมมุติทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นวิสุทธิจิตวิสุทธิธรรมเป็นจิตที่พ้นจากสมมุติเรียกว่าวิมุตติธรรมน้อมถึงพระ ปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณหรือพุทธโธธรรมโมสังคโฆแล้วก็ตั้งสติอาจจะเลยสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าก็อิทิปิโสพระวารังสมมาสมพุทโธวิชาจรณาสัมปนโนสุขโตโรกวิฑูอนุตตโรปุริสะ ธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุโทโธพระวาตินี่เรียกว่าสนสรสน้อมในคุณของพระพุทธเจ้าเก้าประการคุณของพระธรรมสวาขาโตพระวตาธรรมโมสันติิโกอการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญิโกปจตังเวทิตโผวินโูหิตินี่คุณของพระธรรม คุณของพารียสงฆ์สาวเกเจ้าทั้งหลายสุปฏิปันโนภควโตสาวกาสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกาสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกาสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกาสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลา เอสะภควโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกรณีโยอนุตรังคุญยเขตตังโรกัสติคุณของพริยสงสาวกนี่เราสาธยายสามพระคุณนี่ก็ครอบโลกทั้งสามแหละครอบโลกสามครอบใต้โลกกธาทั นี่คุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เมื่อเมื่อสวดสาทยายด้วยความมีสติให้ต่อเนื่องกันก็เป็นการเจริญสติสมาธิของเราที่น้อมในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปพร้อมๆกันเมื่อทําอยู่เรื่อยๆทําให้มากจเจริญให้มากนั่นแหะจิตใจของเราก็จะมีสติสมบูรณ์มีสมาธิตั้งมัน่น และก็น้อมพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธองค์ในโลกสามนี่กามโลกกามโลก ค, คือโลกแหง่งความยังติดจิตติดใจอยู่ในกามคุณห้านับตั้งแต่มหาอเวจีนรกขึ้นมา จะเป็นนรกกี่หลุมกี่ชั่นกี่อะไรก็แล้วแต่ในทุขติภูมิมาถึงเปรตอสุรกายสัตว์ดิริชาถึงมนุษย์เทวดากี่ชั่นจนถึงพรมมโลกนี่เรียกว่าถึงเทวดาที่สุดเทวดาถ้พรมมโลกนั่นเป็นอีก เป็นอีกโลคหนึ่งนี่กามโลกถึงสวรรค์เทวดาเียกว่ากามโลกรูปะโรคอันนี้เป็นโลกของพวกพรมเลยพรมที่ยังสัมผัสอยู่กับรูปอรูปะโรคพรมที่ไม่มีรูปแล้วเียวาอารูปพรม ตา ม, มาโลกรู ป, ปรโลกอรู ป, ปรโลกเ น, นี่อนิจจังทุกขังอนัตตายังครอบอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเจริญปัญญาให้เห็นความไม่เที่ยงทนอยู่ได้ยากและไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนมิแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ประชุมปัญญาอันยิ่งเป็นส ม, มา ธ, ธิแล้วนั่นจึงพ้นพ้นจากโลกสามนันจึงเรียกว่านิพานถ้านิพานนะก็ไม่มีสมมุติอะไรละไม่มีทุกมียากไม่มีสกรปรกไม่มีถูกมีผิดไม่มีกรรมดีกรรมชั่วอะไร <c oughs> นี่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรม ในเบื้องต้นนี่ก็เพื่อเป็นการอบรม เ, เรื่องจิตใจของเราเนี่ยเพราะว่าถึงแม้มันจะมีสมบัติอะไรต่างๆอยู่ตามสมมุติโลกมีเงินทองเข้าของมีลาบยศถาบรรดาศักดิ์ที่มีความปรารถนากันอยากมียศสูงสุดมีแล้วก็ยังมีทุกข์อยู่ มีความร้อนใจวุ่นวายใจอยู่มีสมบัติเงินทองกองเท่าภูเขามีแล้วก็ยังมีทุกข์อยู่ในใจยังวุ่นวี่วุ่นวายอยู่แน่มีรูปสวยสดงดงามขนาดไหนมีแล้วก็ยังมีทุกข์เพราะความสวยความงามของรูปนั่นแหละเยียงว่าสิ่งที่ปาถนาให้มีในสมมุตินี่ มีแล้วมันก็ยังไม่สิ้นทุกขยังไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าทุกข์ที่แท้จริงมันเกิดอยู่กับใจในี่ใจเป็นมหาเหตุเพราะฉะนั้นจึงต้องมาฝึ ก, กจิตฝึกใจให้ใจนี่เป็นพุทโธให้ใจนี่มีวิชาความรู้ตื่นเบิกบานเป็นเครื่องชำระล้างความมืด คืออวิชชาอาสะวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงคือความมืดความไม่รู้ความจริงความหลงสมมุตินั่นเป็นกิเลสความรู้เท่าสมมุติตามเป็นจริงเห็นสมมุติตามอนิจจังทุกขังนาตานั่นจึงเป็นธรรมชาติรู้ที่พ้นจากความสกรปรกทั้งหลายทั้งปวง แล้วเราจะได้ครองธรรมที่ไม่ตายคืออรมตตธรรมอรมตตสุขในวันนี้ได้นำธรรมะที่เป็นวิถีตามธรรมชาติของขันห้าของกายของใจของวาจามาแสดงอธิบายให้ฟัง เพื่อเป็นอุบายในการนำไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติด้วยจิตภาวนาคือการอบรมจิตใจของเราให้สงบระงับตั้งมั่นแน่วแน่ในอารมณ์อันเดียวนี่เป็นเบื้องต้นเมื่อจิตสงบระงับตั้งมั่นแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านลำคาญไม่ ทุกวุ่นวายตามความคิดปรุงแต่งแล้วก็พิจารณาอเอาอนิี้จังทุกขังอนัตตาธรรมะแห่งความเป็นจริงในโลกสามนี่มาพิจารณาน้อมเข้ามาสู่ใจใชใจนั่นแหละรู้ใช้สังขารนึกคิด ค้นคว้าเรียกว่ามนสิการไปตามอารมณ์แห่ง ร, รมตามความเป็นจริงเมื่อประชุมความรู้และความเห็นลงที่ใจเรียกว่ารู้จริงเห็นจริงในธรรมะตามความเป็นจริงคือรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าแล้วก็จะเป็นผู้ได้รับรสชาติ แห่งพระธรรมคือสมาธิธรรมปัญญาธรรมอันชอบจะอยู่เย็นเป็นสุขตลอดอนันตการดังได้นำธรรมะมาอธิบายเห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาได้ยินได้ฟังแล้วจงน้อมนำไปประพฤติธปฏิบัติ ต่อกายวาใจาใจของตนต่อแต่นั่นไปก็จะประสบความสุขความเจริญในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาเห็นว่าสมควรแก่กาละเวราเอวังก็มีด้วยประการะชนี